เมื่อพิษุสงูใหญ่มีธรรมเป็นแก่นสาเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอานนท์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้วมีความชำรดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรดไปเลยดังนี้ข้อนั้น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 ชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอยู่อานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระ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 ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่นภิกษุกทั้งหลายพรมาจันนี้มิใช่มีลาบสการะและเสียงเยินยอเป็นอานิสงส์พรมาจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์พรมาจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์พรมาจันนี้ มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอานิสงส์ภิษุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอันใดมีอยู่ปรมจรรย์นี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของปรมจรรย์แลภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษ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 มีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยงกล่ำแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ําเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขาปรบฤติกายทุจริต วจีทุจริตมโนทุจริตครั้นประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้แหลอานนนเรียกว่าคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทมดำอานนนคนมีชาติขาวก่อให้เกิดทมขาวเป็นอย่างไรเล่า